อลองมาดูรูปที่เป็นอินซีเนี่ยนะเรียกว่ารูปอินซีรูปอินซีนี่มี10นะถึงไหมไม่ถึงใชไ่ไม่ถึงคือเอาหนึ่งนะจับขุนซีสโสตินซีคานินรีซีชิวเห็นซีห้ากายินรีห6 ชีวิตศรีเจ็ดอิทธินศรีแปดปุริศินศรีก็มี8รูปเนี่ยนะอันนี้โดยอินศรีใช่ไหมในี้ถ้าโดยธาตุถ้าโดยธาตุนะจากขุนศรีก็เป็นจากขู่ธาตุโสตินศรีเป็นโสตธาตุคาณินศรีเป็นคานาธาตุชิวหินศรีเป็นชิวหาธาตุกายินศรีเป็นกายธาตุ ชีวิตติณรียกับพวกนี้ทั้งสามเป็นธรรมธาตุเนี่ยนะเป็นธรรมธาตุทีนี้ถ้าเมื่อกล่าวธาตุนี่นกล่าวอายตนะด้วยใช่ไหมอายตจากขผลซีเป็นจากขวาอายตนะโสติณรีเป็นโสตาอายตนะคานินรียเป็นคาณาอยตนะชิวหินซีเป็นชิวหายตนะกายินรียเป็น กายายตนะที่เหลือเป็นธรรมายตนะเหมือนกันถ้ากล่าวอายตนะอย่างนี้อะไรขันเพราะทั้งหมดนี้มีลักษณะเหมือนกันคือรูปปั น, นะแปลว่าสลายแตกสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยเช่นถ้าหนาวร้อนเป็นต้นเนี่ยนะหนาวเนี่ยตาเสียไหม พวกท่านหนาวเกินไปร้อนเกินไปเย็นเกินไปหิวเกินไปกระหายเกินไปสัมผัสเหลือบยุงลมแอดแ ด, ดอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยนะอินทรีย์เหล่านี้พร้อมที่จะแตกทำลายเสียหายหมดเลยเพราะเพราะเป็นรูปประขันรูปประขันเหล่านี้พร้อมที่จะเสียหายหมดเพราะถึงความเป็นรูปปณลักษณะคือเสียหายไปผน พ, พวกนี้ทั้งหมดก็คือรูปประคัน คำว่าขันอธิบายว่าเป็นกองทั้งหมดดังกล่าวนะคือไม่ว่าจะเป็นรูปอินทรีย์รูปปทัทธรูปที่เป็นอายตนะสิ่งนี้ก็คือขันถ้ามองในแง่อินทรีย์คือตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรู้รสกายเป็นใหญ่ในการรับกระทบโพธะ ที่เหลือเนี่ยชีวิตตินซีเนี่ยเป็นใหญ่ในการรักษาพวกนี้ไม่ให้เสียหายอิตินซีเป็นใหญ่ในความเป็นหญิงปุริสินซีเป็นใหญ่ในความเป็นชายพวกนี้ก็คือความเป็นธาตุเพรา ะ, ะนิสตานิชีวสุญญาสภาวะอาเจตนาหมายความว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสูน์จากความเที่ยงความยั่งยืนความงามแล้ว อตาหาเจตนาไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักรับรู้อะไรทั้งนั้นเขาเรียกว่าธาตุธาตุเหล่านี้ถึงความเป็นอายตนะเพราะเป็นบ่อเกิดของจิตและเจตสิกตานี้เป็นบ่อเกิดแห่งจกักรวิญญาณและสัมปยุต ธ, ธรรมหูก็เป็นบ่อเกิดแห่งโสตวิญญาณพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมเป็นต้น แต่ทั้งหมดนั้นก็คือขันเพราะเป็นกอง11กองรูปเหล่านี้ทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ทั้งหมดนั้นก็คือรูปนะรูปซึ่งก็กรุปปัญละลักษณะในที่สุดมันจะเมื่อไร่ที่ไหนอย่างไรก็ทั้งหมดนั้นล้วนแต่สภาพที่สิ้นไปและสลายไป สังเกตให้ดีนะถ้าฟังธรรมะเนี่ยจะมีการแสดงสองอย่างคือแสดงแบบยาตะกับตีรณนะถ้าแสดงยาตะเนี่ยนะก็คือการเอามาจําแนกเป็นอินทรีย์เป็นธาตุเป็นขัน น, นะเป็นอายตนะนี่คือลักษณะของยาตะปริญญาคือมาจําแนกแบบนี้แล้วก็กล่าวว่าทั้งหมดล้วนแต่เป็นรูปปณนะคือเสื่อมสิ้นสลายไปอันนี้เป็น ตรณะปริญญาเนี่ยนะเพราะสิ่งใดที่เสื่อมสิ้นสลายไปเพราะไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะควรรือที่จะตามยึดยึดถือตามเพลิดเพลินว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็ไม่ควรเนี่ยนะแล้วก็ท่านก็กล่าวปริญญาสามไม่เรียบร้อยแล้วละเนี่ยนะอันนี้ในเกี่ยวกับเรื่องรูปนะถ้ากล่าวรูปอย่างหนึ่งนะรูปที่เหลือก็กล่าวแล้วถ้ากล่าวขันถ้ากล่าวรูปประขันรูปประธาต รูปายตระณเป็นต้นก็ชื่อว่ากล่าวแล้วไม่มีอะไรที่ไม่กล่าวเนี่ยนะเพราะมันถึงกันหมดต่างกันโดยเทศนาเนี่ยนะบางอย่างเนี่ต่างกันโดยเทศนาอย่างที่นี่หลายคนนะัมีชื่อหลายชื่อใช่ไหมถ้ากล่าวอีกชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งก็ชื่อว่ากล่าวหรือ ย, ยังแต่ไม่แน่นะถ้าไปพูดบางชื่อนี่อีกบางที่เขาไม่รู้จักนะใครก็ไม่รู้มหาใครบอกมหาคนเนี่เออไม่รู้จักแต่กล่าวอีกคนหนึ่งอ๋อเดี๋ยวไปเรียกมา กล่าวถึงวัตถุเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้กันไปทุกแห่งกันนะคือคัมภีเนติปกรณ์เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่อธิบายให้คนไม่มีปัญญาเนี่อรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรคือคนมีปัญญาเนี่ยเขาบอกวิธีว่าพวกไม่มีปัญญานะถ้าอยากมีปัญญาต้องคิดแนวนี้แล้วจะเข้าใจเลยว่าพวกมีปัญญาเขาคิดอะไรกันเนี่ยนะ ศึกษาวิธียงไปก่อนนะถึงยังไม่มีเครื่องมือโยงก็ศึกษาวิธีโยงไว้ก่อนก็ยังดีแต่ถ้าข้อมูลเยอะแล้วมันก็เบาวกว่าธรรมดาเพราะว่าเนติปกรณ์เนี่ยเป็นคำภีร์สังวรรณนาหมายกันว่าอธิบายทั้งพระไตรปิฎกไม่ได้หยิบเอามาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเรียนปริยัตมาก่อนก็มาเรียนโยงเอาไว้นี่ก็เวลาไปศึกษาก็ ร, ารู้ว่าเขาโยงกันนะเขาไม่ได้อ่านทื่อๆหรอกเหมือนกัน แล้วก็ในคำพีเนติปกรณ์ก็มีหลักการตั้งหลายๆเรื่องอยู่แล้วล่ะนะถ้าพยายามทำความเข้าใจตามนี้เนี่ยก็ตามเจตนารมณ์ของคำพีอยู่แล้วใช่ไหมเป็นคำพีที่นำไปสู่มรรคผลและ น, นิพพานก็ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเขาคิดอย่างไรเนี่ยเรามาเรียนเราจะเข้าใจ ถ้าเรียนเนติปกรณ์กับปฏิสัมพิธามมาคู่กันนะที่บอกว่าพระนนฟังหนึ่งบทแล้วขยายได้หกหมืนบทกลายเป็นเรื่องฟังแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกอัศจรรย์อะไรนะนะ ก, ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าผู้มีปัญญาเขาทําได้จริงๆเพราะมีหลักการหมดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ไม่มีหลักการอะไรแล้วก็มาคิดเอาเองเนี่ยได้หกหมืนบทนี่ไม่ใช่แต่มีหลักการมีกฎเกณฑ์ทั้งหมดเลยทีนี้ต่อไป กล่าวว่าท่านแสดงสุขเวทนาในเทสนาใดคืออ่านพระธรรมเล่มไหนสูรใดถ้าเจอคำว่าสุขเวทนาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอันแสดงสุขขินสีโสมนั ส, สินสีและสมุทยะสัจจะในเทสนานั้น <S <S <S เรียบร้อยเลยนะถ้ากล่าวสุขเวทนาโดยขันใช่ไหมถ้ากล่าวขันปั๊บเนี่ยท่านยกตัวอย่างให้ดูถ้ากล่าวสุขเวทนาสุขเวทนาก็นับว่าเป็น เวทนาขันก็ชื่อว่ากล่าวเวทนาที่เป็นอินทรีย์คือสุขขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์พวกนี้นะเป็นเหตุใกล้อย่างมากของสมุทยาศรราสตร์จักผลท่ากล่าวความสุขที่ใดตัณหาก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมถ้ากล่าวโสมนัสที่ใดตัณหาก็อยู่ที่นั่นตอนที่มีความทุกข์เนี่ยนะเรามีตัณหาจริงๆเราต้องการเราระ ล, ลึกถึงความสุขไว้ตลอดใช่ไหม เมื่อหิวเราจะนึกถึงความอิ่มเผลอเมื่ออะไรเมื่อง่วงก็นึกถึงความหลับเป็นต้นเลนะไอาการนึกถึงสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยถ้ากล่าวสิ่งที่น่าปรารถนาที่ใดเท่ากับแสดงว่าพูดถึงตัณหาแล้วกันนะก็อย่างง่ายๆเลยถ้าพูดถึงว่าสวยก็เท่ากับบอกว่าชอบถ้าบอกว่าชอบก็แสดงว่ามันสวยในความคิดของเขาอ่ะ มันก็มันก็ถ้าพูดอีกมุมหนึ่งถ้าอีกมุมหนึ่งก็ชื่อว่าแสดงแล้วเท่นถ้าเหมือนกับว่าความสุขใครไม่ต้องการใช่ไหมถ้าพูดความสุขปั๊บ g, ก็เท่ากับจะพูดคําว่าความต้องการแล้วถ้าพูดว่าต้องการปั๊บแสดงว่าไอสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องคิดว่าเป็นเป็นสุขละเขาจึงต้องการนั่นนะมันถ้ากล่าวแต่เพียงความสุขก็ชื่อว่ากล่าวความต้องการแล้วก็ถ้าหากว่าใครสามารถแสดงชี้ให้เห็นว่า สิ่งนั้นเป็นสุขจริงดีจริงความต้องการก็ก็จะเกิดขึ้นในสิ่งนั้นพราะมั้นก็วิธีที่อย่างรูปแบบการโฆษณาในยุคใหม่เนี่ยที่เขาทําก็คือทํำยังไงให้คนดูแล้วมันดีเขาจะได้เกิดความปรารถนานะก็อย่างที่บางท่านกล่าวว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คือวิชาเจริญตัณหานั่นเองใช่ไหมทำยังไงให้สิ่งนั้นมันดูดีที่สุดคนจะได้มีความต้องการ เมื่อเขามีความต้องการเขาจักซื้ อ, อเช่นพวกโฆษณาพวกอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมทำยังไงให้เขาดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาจะได้ชอบเมื่อเขาชอบหมายถึงว่าเจ้าของโครงการเนี่ยรวยแต่ก็ไม่เสมอไปนะแล้วรวยกระจนมันก็ใกล้ๆกันนะั่นแหละถ้าบริหารไม่ดีก็หมดทายในะไ ม, ไม่ไม่สักเท่าไรนะสรุปว่าถ้ากล่าวความสุข ถ้ากล่าวสุขหินรีโสมนัสเท่ากับกล่าวสมุทยสัจจะแล้วเพราะว่าตัณหาที่ที่ปรารถนานะสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการต้องการก็คือต้องการความสุขนั่นเองแต่ทีนี้ความสุขที่แต่ละคนหวังเอาไว้นี่ค่อนข้างแตกต่างกันในคือสิ่งที่เหมือนกันคือความสุขแต่สุขเหล่านั้นเนี่ยแต่ละคนนี่ให้ค่าของผัสสะแต่ละอย่างความต่างแห่งเวทนาเกิดจากอะไร เกิดจากความต่างแห่งภาษะความต่างแห่งภาษาเกิดจากอะไรจากความแตกต่างกันแห่งธาตุจากขูธาตุรูปธาตุจากขูวิญญาณธาตุโสตธาตุสาธธาตุโสตวิญญาณธาตุเป็นต้นเนยนะก็คือธาตุตามทวารต่างๆธาตุตามทวารต่างๆเป็นเป็นปัจจัยให้ภาษะที่แตกต่างกันภาษาที่แตกต่างกันทําให้เกิดเวทนาแตกต่างกันสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายต้องการเวทนาที่เป็นสุข และโสมนัสทีนี้ที่จะได้ความสุขและโสมนัสอันนั้นจะทํำยังไงจึงจักได้ก็ค้นหาภาษากันแล้วภาษาก็ไปหาตามธาตาุต่างๆตามทวารต่างๆตามอารมณ์ต่างๆก็ค้นหากันในลักษณะนี้อันนี้เป็นดินแดนโคโจรแห่งสมุทัยศัสตร์ว่าสมุทัยเขาท่องเที่ยวไปอย่างนี้นะนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักบริโภคสมุทัยศัสตร์ ไม่แน่นะอาจจะมีบางทัวที่ไปเพื่อแม้ทำยังไงจะไปทําลายสมุทัยสักทีหนึ่งหาที่ทําลายสมุทัยเนี่ยนะก็มีทัวคุณหลานนี่แหละใ <c oughs> นต่อไปนะว่าถ้ากล่าวทุกขเวทนาในเทศนาใดคือในคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีอยู่ที่ใดใช้ใคล้าว่าทุกขเวทนาก็แสดงว่ากล่าวทุกขินทรีโทมนัสินรีและทุกขาอาเรยสัตว์ในเทศนานั้น ทุกขาริยศาสตร์เนี่ยนะที่มันน่ากลัวเหลือเกินเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีทุกจริงๆเลยแหละทุกขเวทนาด้วยทุกขินซีด้วยแล้วก็โธมนัสินซีอะนะปวดหัวนี่มันปวดจริงๆนะมันไม่ปวดเล่น่ะปวดฟันมันก็ปวดจริงนะใช่ไหมปวดท้องมันก็เอาเรื่องอะเอาจริงอะไม่ค่อยเอาเล่นอะไม่ได้ทุกเล่นๆนหมแต่ว่าพอมันผ่านไปนี่เหมือนเล่นแต่ตอนมันเป็นนี่มันเป็นจริงๆอะเสียใจก็เหมือนกันนะมันเสียใจจริงๆอะนะ พรอีกพักหนึ่งก็เหมือนอะไรนะเด็กๆเคยเลยเสียใจมากเลยนะที่เช่นอยากได้อะไรสักอย่างหรือข้าวของบางอย่างเสียไปเนี่ยนะเสียใจมากพอมีอีกชิ้นหนึ่งมาแล้หัวเราะไปแล้วหัวเราะทั้งน้ําตานี่ยนะน้ำตายังไม่ทันแนงเลยหัวเราะต่อได้เลยนะแต่ตอนที่เขาเสียใจเขาเสีย จ, จริงๆนะทุกข์ก็ทุกจริงๆเลยแหละโทมนัตกระโทมานัตจริงๆมันก็เลยเป็นทุกข์ขินสีโทมนัตสินสีอันนั้นก็เท่ากับกล่าวทุกข์าริยศาสตร์แล้ว มันเป็นผลของสมุทัยนะไอความทุกเหล่านั้นความโศกเกิดจากความยินดีภัยก็เกิดจากความยินดีถ้าหากว่าไม่มีความยินดีนะถ้าสิ้นความยินดีเนี่ยความโศกจักมีแต่ไหนไภัยจักมีมาแต่ที่ไหนเนะความยินดีนี้เป็นสมุทัยอริยสัจใช่ไผลแห่งความยินดีก็คือเนี่ยทุกโทมานัพทุกขเวทนาพวกนี้ สรุปว่าที่ใดกล่าวทุกโทมนัสหรือทุกขินรีโทมนัสสินศีที่นั่นประกาศทุกขาริยศาสตร์แล้วให้รู้ไว้เถอะพอสรุปได้อย่างนี้นะที่ใดกล่าวสุขเวทนาโสมนัสสินศีที่นั่นชื่อว่ากล่าวสมุทัยอริยศาสตร์แล้วที่ใดกล่าวทุกขินรีโทมนัสสินศีที่นั่นชื่อว่ากล่าวทุกขาริยศาสตร์แล้วอันนี้เรามาดูที่อื่นอีกนะถ้ากล่าวลาบยศ สันเสริญสุขชื่อว่ากล่าวอะไรสัจจะจเท่ากับกล่าวสมุทัยสัจจะใช่ไหมเพราะว่าลาบยศสันเสริญสุขเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาบุคคลทั้งหลายที่ปรารถนาก็ปรารถนาสิ่งเหล่านี้อย่างตรงนี้ยกสุขขึ้นมาสุขขินรีสุขขินสีก็อยู่ในกลุ่มโลกธรรมความสุขเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากลาบมาจากความมียศมาจากคา สรรเสริญทั้งหลายเมื่อได้เหตุตัจจัยเหล่านี้ความสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวทุกอย่างเดียวก็โลกธรรมที่เหลือก็เท่ากับกล่าวแล้วถ้ากล่าวสุขก็เหมือนกันโลกธรรมที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวลาบแสดงว่าสมุทัยสัตว์กล่าวความเสื่อมราบทุกขสัตย์ากลายศสมุทัยสัตว์ถ่ากล่าวความเสื่อมยศทุกขสัตย์ากล่าวสรรเสริญ คำสรรเสริญสมุทัยใช่ไหมถ้ากล่าวถูกนินทาทุกข์สัตว์ถ้ากล่าวสุขสมุทัยสัตว์ถ้ากล่า ว, ท, ว, าาวทุกขอันนี้ก็ทุกข์าริยสัต์เนี่ยนะมันก็ดูเอสก์กลอริยสัตว์เข้าไปทุกทีเหมือนกันนะเนี่ยขอให้ฟังเมื่อไหร่ก็เห็นอริยสัตว์อย่างนั้นเถะนะเห็นดอกไม้สวยอริยสัจะ <c oughs> สมุทยัทยสัจจะใช่ไหมนี่ดีนะว่าถ้าไม่ตั้งเจตนาลมไว้เพื่อพุทธบูชานี่โอ้จเจริญสมุทัยล้วนๆเลยนะหน้ามุทิตาด้วยในตอนต้นแต่หน้าการุณาในตอนหลังท่านแสดงอทุขมสุขเวทนาในเทศนาใดกเ็เป็นอันแสดงอุเปกขินรีและปฏิจจสมุปบาททั้งปวงในเทศนานั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าอาวิชาย่อมนอนเนื่องอยู่ในอทุก ข, ขมสุขเวทนาไอ้คำว่านอนเนื่องแปลว่านอนเนื่องบางอย่างนอนเนื่องโดยอารมณ์บางอย่างก็นอนเนื่องโดยวัตถุถ้านอนเออขอโดยสหชาตาสินะถ้านอนเนื่องโดยสหชาตาินี่ขณะไหนขณะโลภะอุเบขาอันนั้นอวิชานุสัยนอนเนื่องโดยสหชาตะขณะโมหะอุเบขาสองดวงเนี่ยนะโมหะมูลจิต อันนั่นก็อวิชานอนเนื่องโดยสหชาตะเวทนาที่เป็นอุเบกขาที่เหลือ น, อนอนเนื่องโดยอารมณ์่นเวทนาหกดวงในอากุศลเหล่านั้นก็นอนเนื่องโดยอารมณ์ด้วยนะทั้งนอนเนื่องโดยอารมณ์และโดยสหชาตะในนี้ผ่านนะรู้กันอย่านีนลักษณะหาระกําลังเรียนอยู่นะรู้กันนะบางคนก็มา เขาเขาฟังที่ที่เรียนเรียนกันอยู่นี่เขาว่างกันนะก็บอกอุ้ยท่านพูดกว้างขวางประดุดสมุดเลยไม่รู้จะให้ทํำยังไงเนี่ยเคาว่างั้นก็สงสารคนพูดเลยนะโอ้นี่แสดงว่าพูดตั้งนานนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยจะได้บาปหรือเปล่าเน้อพูดถ้าเขายุ่งเยิงไปหมดเลยไม่น่าเป็นอย่างนั้นทวนนะว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะมันค่อนข้างใกล้ใช่ไหม คนที่อุเบกขาเนี่ยนะถ้าพูดถึงอุเบกขาที่ไม่สัมปยุตด้วยปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นอุเบกขาที่เกี่ยวข้องกับอวิชชาเนี่ยนะเป็นคือเฉยแบบไม่ไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยนะไม่ใช่เฉยด้วยปัญญาเป็นต้นเนี่ยไอเฉยแบบนั้นโดยมากก็เป็นโมหะเช่นเห็นต้นไม้แล้วรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยนะอะไรก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ศีลก็ไม่ใช่ภาวนาก็ไม่ใช่นึกถึงธรรมะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแต่ก็เฉย ชอบก็ไม่ใช่ช่างก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเฉยอ่ะอันนี้แหละโมหะชัดๆเลยนะถ้าอย่างงี้ไม่ใช่โมหะก็ไม่รู้ยังไงอีกแล้วกุศลก็ไม่ใช่่ะหลับก็ไม่หลับตื่นอยู่นี่แหละนั่นแหละโมหะเลยแหละฉะั้นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยย่อมมีเวิญญาณใช่ไหมก็ปฏิจจสมุปบาทก็เข้ามา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 ก็ความเกิดขึ้นสืบๆกันแห่งผลธรรมที่อาศัยเหตุก็ถูกนำไปในฝ่ายสังกิเลตที่เป็นไปพร้อมกับด้วยราคะเป็นไปพร้อมกับด้วยโทสะเป็นไปพร้อมกับด้วยโมหะ <c oughs> ปกตินะถ้ากล่าวุขเวทนาก็เท่ากับชื่อว่าแสดงราคะแล้วถ้ากล่าวทุกขเวทนาก็ชื่อว่าแสดงโทสะถ้ากล่าวอุเบกขาเวทนาก็ชื่อว่ากล่าวโมหะ อันนี้เราพูดในฝ่ายอกุศลในฝ่ายอกุศลเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงจริงอันนี้เรียกว่าฝ่ายสังกิเลสสังกิเลสเนี่ยคือฝักฝ่ายแห่งความเศร้าหมองคือราคะโทสะโมหะถ้าธรร ม, มะอันประเสริฐอ่ะอันประเสริฐก็คือที่มันตรงกันข้ามกับราคะโทสะโมหะอันนั้นก็คือความปราศจากราคะความปราศจากโทสะความปราศจากโมหะมันเรียกว่าถ้ากล่าว สิ่งที่ควรละเนี่ยนะสังกิเลสิกะธรรมเนี่ยชื่อว่าเป็นธรรมที่ควรละถ้ากล่าวถึงธรรมที่ควรละธรรมที่ควรเจริญก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้าไม่ไม่เจริญน่าจะไปละอะไรใช่ไหมบางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยกิเลสมันเกิดเอากระมันซะสิอะไรก็ไม่เจริญสักอย่างแต่บอกให้ละเลยเอาคุณชอบซะเออชอบก็ละซะโกรธก็อย่าไปโกรธมันชอบก็อย่าไปชอบสิหลงก็อย่าไปหลงสออิพูดไม่ยาก พูดนะไม่ยากทําได้ไหมล่ะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เจริญให้มันตรงกันข้ามความโลภความโกรธความหลงอันนั้นต่างหากที่เป็นสาระในี่ยนะที่ควรทําให้มีขึ้นคงพอทบทวนโดยสรุปว่าธรรมะเนี่ยนะถ้ากล่าวอันหนึ่งที่มันเนื้อหามันเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันส่วนที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้ว เพราะพระธรรม ท, ที่พระผู้มีพระภาคแสดงเนี่ยเป็นการแสดงสองประการประการหนึ่งเรียกว่าแสดงโดยสิ้นเชิงแสดงแบบสิ้นเชิงเรียกว่านิ ป, ปเทศนิพปปเทศแสดงแบบสิ้นเชิงไม่มีเหลือโดยมากอยู่ในอภิธรรมแต่อภิธรรมก็ไม่ใช่นิปพเทศไปทุกเรื่องนะบางอย่างก็แสดงแบบมีส่วนเหลือ คนที่เรียนมาติกามาเนี่ยนะเรียนกุศลอกุศลอัพยากตะสุขเวทนาเป็นต้นเนี่ยกุสลติกะเนี่ยเป็นการแสดงแบบไม่มีส่วนเหลือเพราะทำทั้งมวลถ้าไม่กุศลก็เป็นอกุศลไม่อกุศลก็อัพยากตะมีอยู่3ามอย่างเท่านั้นแหละเป็นการแสดงแบบแสดงแบบไม่มีส่วนเหลือถ้าแสดงแบบมีส่วนเหลือเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอย่างนี้เอาเฉพาะเวทนาขันมาแสดงอันเดียว อันนี้ก็เื่อว่าแสดงมีมีส่วนเหลือส่วนธรรมที่สัมปยุติกับทุกธรรมที่สัมปยุติกับสุขธรรมที่สัมปยุติกับอทุคขมสุขอันนี้ก็แสดงแบบมีส่วนเหลือเนี่ยนะถ้าเป็นอุปาทินุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินนุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินนาณุปาทานิยะธรรมาอันนี้ไม่มีส่วนเหลือ หรือสังกิริทัสังกิเลศิกาทำมาเป็นต้นเนี่ยนะก็จำมาจําแนกว่าทำส่วนไหนสแสดงสิ้นเชิงส่วนไหนสแสดงแบบไม่มีสิ้นเชิงเหมือนว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจาะแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจากเ่าคําว่าแม้แต่ใช้คําว่าสิ่งทั้งปวงก็ไม่ใช่สิ่งทั้งปวงอีกอยู่ดีเพราะว่าเป็นการสแสดงแบบมีสิ้นเชิงหรือบอกว่าสัตว์ทั้งปวงนะ่ะกลัวตายหมดอ่ะ คำว่าสัตว์ทั้งปวงกลัวตายหมดคําพูดนี้ก็มีส่วนเหลือเออทุกคนมาประชุมให้หมดนะทั้งหมู่บ้านเรียมาประชุมให้หมดทั้งหมู่บ้านเลยอันนี้ก็มีส่วนเหลือใช่ไหมก็มีใครอุ้มตัวเล็กๆไปประชุมด้วยหรอกแตกวนร้องไห้สักสามคนนี่ก็ไม่ต้องประชุมแล้ววันนั้นนะเพราะนั้นก็เป็นคําพูดก็สังเกตดูว่าคาไหนมีส่วนเหลือคาไหนไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะแล้วก็ถ้ากล่าว ไม่มีส่วนเหลือการกล่าวแบบมีส่วนเหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ ย, เ, ยเหมือนอริยสัจนะโดยทั่วไปเนี่ยบางแห่งก็แสดงเต็มมาทุกสมุทยัยนิโรธมัดแต่หลายแห่งแสดงไม่เต็มโดยมากนะไม่เต็มพระพุทธเจ้าทําที่สุดแห่งชาราและมรณะแล้วคานี้เต็มหรือไม่เต็มไม่เต็มที่สุดนะที่สุดแห่งชารามรณะองค์ธรรมได้แก่อะไรได้แก่นิพพาน แล้วสมุทัยาศาัตร์กับมรรคศาสตร์ทำไมไม่แสดงอันนี้ก็ชื่อว่าแสดงแล้วอีกที่หนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพรมมายุพราหมณ์กับเสลพรามณ์ว่าดูก่อนพรามณ์สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรกําหนดรู้สิ่งที่ควรละเราละแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นพุทธะคือเป็นพระพุทธเจ้าคํานี้ก็ชื่อว่าแสดงโดยสิ้นเชิงแล้ว บอกว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วอันนี้หมายถึงวิชาและวิมุติเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะเรารู้ยิ่งแล้วส่วนทำที่ควรกําหนดหรือครูปาทานเอ่อข้าไปทำที่ควรละคือสมุทัยสัตว์เราก็ละแล้วสิ่งที่ควรทําให้แจ้เออสิ่งที่ควรเจริญคือมรรคสัตเราก็เจริญแล้วถ้ากล่าวสิ่งที่ควรละก็ชื่อว่ากล่าวทุกขสัตแล้วถ้ากล่าวสิ่งที่ควรเจริญก็ชื่อว่ากล่าว มักศัตดิ์แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าที่เราเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะสัจจะภาวนาสัจจะภาวนาก็คื อ, อการเจริญอริยสัจแต่เจริญตามกิจเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะกําหนดรู้ทุกเป็นพระพุทธเจ้าเพราะละสมุ ท, ทยัยเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทํำนิโรธให้แจง้งเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเจริญมักเมื่อวานนี้เขาขัดพระเจดียเขาฟังธรรมจักกันไปขัดไปฟังธรรมจกักไปรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ มาขากลับมาก็ยังสวดสวดมาเรื่อยใช่ไหมจากคุ้งอุทะปาธิญานางอุทะปาธิปัญญาทีนี้นี่ลากเสียงยาวไปหน่อยก็เลยฟังไม่ค่อยออกนะฟังอตั้งนานเนธรรมจักนี่จากคุ้งอุทะปาธิญานางอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิอะโลโก้เนนะป็นต้นก็คือจักสุได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราวันนี้ทุก อันนั้นวันนี้ทุกควรกาหนดรู้ทุกที่ควรกําหนดรู้เรากําหนดรู้แล้วนน้นี่สมุทัยอันสมุทัยควรละนนสมุทัยเราก็ละแล้วนี่นี้นิโรดนี่นิโรดควรทําให้แจ้งนนนิโรดเราก็ทําให้แจ้งแล้วนี่มรคนี่มรควรเจริญมรเราก็เจริญแล้วเนี่ยนะเพราะถ้าเราตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่เนี่ยนะ โดยปริวัติมอาการ12เนี่ยเราจึงปฏิ ญ, ญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพันทบที่พระองค์บอกเสลพรามกับบอกพรหมอายุพรามบอกว่าสิ่งที่ควรรู้ยิง่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรละเราละแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องสงสัยหรอกเหมือนกันันก็อันนี้ก็ชื่อว่ากล่าวอริยศสต ร, ร4ใช่ หรือแม้กระทั่งพระอัชิเนี่ยนะแสดงทำให้พระสารีบุตรฟังเยธรรมมาเหตุตุปปภาวใช่ไหมทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดอันนี้หมายถึงอะไรที่มีเหตุเป็นแดนเกิดอุปาทานขันห่านะอุปาทานขันห่าเนี่ยเป็นธรรมะที่มีเหตุเป็นแดนเกิดคือมันเกิดจากเหตุพระพุทธเจ้าพูดถึงไอ้ตัวเหตุที่มันทําให้เกิดขันห่านั้นนะ และความดับดับถ้าดับมต้องดับเหตุใช่ไหมดับเหตุแห่งคำนั้นนะทำเราใดเกิดแต่เหตุคือทุกขสัจหมายถึงอุปาทานขันท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ไปที่เหตุที่ทำให้เกิดคือสมุทยัยสัจแล้วก็พูดถึงความดับคือดับไอเหตุตัวนั้นแหละพระมหาสมณะท่านมีปกติแสดงอย่างในโห้ฟังแล้วเป็นพระโสดาบันเลยของเราฟังรอบที่เท่าไหร่แล้วนี่ ทั้งฟังทั้งอ่านนะนะหลายรอบแสดงว่าปัญญินรียังไม่แก่รออีกสักพักน่งนะเ ด, เดี๋ยวเอามั่งนะ